ขอเจริญพอทุกท่านนะฮะเราได้พบ ก, กันอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับท่านที่อยู่ที่นี่มาหลายมาหลายปีเนี่ยก็คงจะทราบดีว่าเนี่ยอัตมาก็ได้มีโอกาสมาพวกปากกับเราทุกปีตอนสิปีนะะมาแต่ละครั้งเนี่ยก็เห็นความเจริญก้าวหน้าของบริษัททันในแง่ของพนัก ง, งานที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ สถานที่ที่เลิกแกแออัดมากขึ้นเพราะคนเยอะนะันี่ก็แสดงความก้าวหน้าแล้วก็เห็นการต่อเติมอาคารอยู่เป็นลำดับปีแต่ว่าปีนี้ไม่คาดว่าจะเปลี่ยนสถานที่นะมายังตึกที่โอโทงโล่งกว้างมากขึ้น <c oughs> ตอนที่เห็นโชว์รูปนี่ก็ก็ <c oughs> รู้สึกแปกใจน ะ, นะว่า บริษัทบอนทัวร์นี่เจอก็น่าจวดเร็วมากนะอะนี่ก็ต้องถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็เป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นผลแห่งความภาจพยายามของพวกเรานะเพราะว่าการเจิเงอกาองามของบริษัทนะอันนี้เนี่ยมันมันต้องมันคงไม่ได้เกิดจากคนใดคนหนึ่งนะแต่ว่าเกิดจากความพยายามของ จะเรียกว่าทุกคนก็ว่าได้และความพยายามที่วาเนี่ยก็มันทรูป ข, ของความภาคเพียนความขยันขันแข็งความเอาใจใส่ความเสียสละความ อ, อ, อุทิศตนความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานวาถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยนะก็ยากที่จะเจริญก้าวหน้าได้แต่ลำพังอาศัยโชคนะอันนั้นเนี่ย มันไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงนะแต่ว่าต้องอาศัยความเพียรพยายามและการใช้สติปัญญาควบคู่กันไปด้วยอีกไม่ถึงสองอาทิตย์นะก็จะเปลี่ยนศักราชปีห้าแก็จะกลายเป็นอดีตไป ปี59นะก็จะกลายเป็นปัจจุบันเมื่อปีใหม่มาถึงเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะมองไปข้างหน้ามองยังมีความหวังการที่เปลี่ยนปีเปลี่ยนสักราชเนี่ยมันเป็นจะเรียกว่าเป็นอุบายก็ได้ เพื่อที่จะทาให้เราเนี่ยมองไปข้างหน้าและก้าวไปด้วยใจที่เปลี่ยงในความหวังคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าดูกับปีเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็จะกลายเป็นซ้ำ้างแล้วก็จําเจ ก็อาจะกลายเีเบื่อไปแต่พอมันมีการเปลี่ยนแปลงนะจั ก, กรราเปลี่ยนแปลงปฏิทินเราก็จะเริ่มเกิดความรู้สึกกระตือรือร้นขึ้นมาใหม่มันก็เหมือนกับวันนะ่ะนะถ้าวันเนี่ยมันยาวนานมากนะมันก็คงดูน่าเบื่อทราบไหมฮะว่ามันมี มันมีสถานที่แห่งหนึ่งนะที่ว่าวันเนี่ยยาวนวาวนกับปียาวนานกว่าปีส่วนใหญ่เนี่ยในความรู้สึกเราเนี่ยปีมันนานกว่าวันใช่ไหมแต่มันมีที่หนึ่งนะที่วันเนี่ยมันนานกว่าปีหลายคนจะนึกไม่ออกนะดาวพระศุกเนี่ยนะดาวพระศุกร์เนี่ยนะ หนึ่งวันเนี่ยยาวกว่าหนึ่งปีหนึ่งวันนานกว่าหนึ่งปีคือประมาณสักสองร้อยสามสิบวันน่นนะหนึ่งวันก็หมายความว่ามันหมุนรอบตัวเองหนึ่งปีก็หมายความว่ามันหมุนรอบดวงอาทิตย์ดาวศุกร์เนี่ยดาวศุกร์เนี่ยนะมันใช้เวลาหมุนรอบตัวเองเนี่ยนานกว่าหมุนรอบดวงอาทิตย์ถ้าว่าวันยาวนานอย่างนี้นะใครที่อยู่ในในดาวศุกร์เนี่ยคงจะเบื่อมากเลย แต่ว่าโชคดีพวกเราอยู่ในโลกมนุษย์วันเนี่ยมันแค่ยี่บสี่ชั่วโมงพันไม่มีวันใหม่อยู่เสมอวันใหม่อยู่เสมอผมว่าเราเบื่อวันนี้นะแต่ว่าพอขึ้นวันใหม่เราก็กลับมีชีวิตชีวาแลวพอมันผ่านไปอยู่กลางเย็นเราก็เริ่มเบื่อใหม่แต่สักพักมันก็ขึ้นวันใหม่ เราก็กลับมามีชีวชีวาเพราะมันคือวันใหม่ก็เหมือนกันนะถ้าปีนมันยาวนานเนี่ยนะซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้อยู่กับปีเดิมๆนะเราคงเบื่อแต่ว่าการที่มีปีใหม่มันทำให้เราเกิดความกระชุ่มกระชวยเนี่ยอย่างหลายคนเนี่ยนะตอนนี้ก็เริ่มนะเริ่มที่จะมีความรู้สึกครึ้น อ, อกครื้มใจแนละ้วเพราะว่าปีเก่ากำลังจะผ่านไปปีใหม่กำลังจะมา ตั้งที่เรายังไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะแต่ว่ามันรู้สึกว่าสิ่งดีๆหรือสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับเรามันทําให้เรามีกําลังใจแต่ว่าเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างมีกําลังใจนะอย่างหนึ่งที่เราจะมองข้ามไปไม่ได้คือว่าใจเราต้องใหม่ด้วย ถ้าเกิดว่าเราอยู่ปีใหม่แล้วตัวเราอยู่ปีใหม่แต่ใจเราอยู่ปีเก่าตัวเราอยู่ปีห้าก้าแล้วแต่ใจเรายังอยู่ปีห้าแปตัวเราตอนนี้เนี่ยอยู่วันที่ยีิบสองธันวาแต่ใจเราอยู่วันที่ยี่สิพฤศจิกามันก็ไม่สามารถจะมีความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆหรือสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราได้เพราะว่าเราจะไม่ได้มองไปข้างหน้าเราจะติดอยู่ข้างหลัง มันเคยมีการสนทนาเรียกว่าเทศธรร ม, มาทิธรร ม, มาทคู่นะสมัยก่อนก็ไดมีธรรมเนียมทาเทศคู่เมื่อสองรปีที่แล้วเนี่ยมีการเทศธรร ม, มาทิคู่องค์หนึ่งก็คือหลวงพ่อโตนะสมเด็จพระพุทธาจารย์หลวงพอโตวัดระฆางพวกเรารู้จักดีนะอีกองค์นึงคือพระธรรมอุ ด, ดมวัดพระเชตุพนคือวัดโพ ก็มีตอนนึงเนี่ยนะหลวงพ่อเจ้าคุณธรรมโอต๋อมท่านกล่าวว่าเนี่ยา พ, า พ, าพายชนนพรพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าอันนี้ท่านพูดเป็นกรอนเพื่อสอนให้เรากระตุ้นให้เราเนี่ยนะอย่าวีรอแลต้องขยานคันแข็งเพราะว่าเวลาไม่คอยท่านะอันนี้มันเป็นมันเป็น มันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำทุกวันและโดยเฉพาะเมื่อถึงปีใหม่ mm hmm. อย่าเฉืยชาครันี้ท่านก็ทิ้งไว้เท่านี้แล้วหลวงพ่อโตท่านจะตอบว่าอย่างไรท่านจะแก้ว่าอย่างไรพ mm hmm. ระธรรมอุดมบอกว่าภายจะนัพ่อพายตลาดตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่า หลวงพ่อโตท่านก็ตอบว่าก็โซ่ยังไม่แก้ปัจจัยยังไม่ไขจะพายไปไหวได้อย่างไรเข้าใจไหมฮะจะพายไปข้างหน้านได้เนี่ยต้องปลดโซ่ก่อนต้องปลดกุญแจก่อนเรือเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังติดอยู่กับโซ่ยังถูกล่ากไว้กับโซ่เนี่ยมันก็ไปไม่ได้พายเท่าไหน่พายแค่ไหนก็ไปไม่ได้ท่านกําลังบอกว่าอะไรหลวงพ่อโตท่านบอกว่าอบอกว่ากาลังสาน ว, ว่าจะพายไปข้างหน้านได้เนี่ยต้อง ต้องปล่อยอดีตต้องปล่อยข้างหลังอย่าให้อดีตมันล่ามเราอย่าให้อดีตมันล่ามเราอดีตอาจจะดยเพราะเหตุการณ์ความสูญเสียความล้มเหลวในอดีตความเจ็บปวดในอดีตนะความแค้นเคืองในอดีตรเราต้องปล่อยใจเราออกจากสิ่งเหล่านั้น เราถึงจะก้าวไปข้างหน้าได้เราถึงจะเดินไปสู่อนาคตได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทำนะเมื่อปีใหม่จะมาถึงในขณะที่เราเรามีกำลังใจนะที่จะอยากจะก้าวไปข้างหน้าเพราะเราทุกคนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตเรามีเอ็มมีจุดมุ่งหมายว่าปี59เนี่ยอะไรคือจุดมุ่งหมาย เราไม่ถึงหมายที่ยาวไกลกว่า น, นั้นนะแต่เราจะก้าวไปไม่ได้แม้เราจะยพยายามแยาามถตามถ้าใจเราเ ย, ยังถูกล่ามอยู่กับอดีตเราไม่สามารถจะก้าวไปสู่ปี59ได้ถ้าใจเรายังติึงกว่าปี58 57เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปล่อยต้องวางนะปีใหม่จะมาถึงแล้วก็ขอให้เราปล่อยวางอดีตนะปล่อยวางสิ่งที่มันเป็นความเจ็บปวดต่างๆ อย่าให้มันล่ามจิตล่ามใจเราเหมือนโซ่ที่ไปล่ามเรือไว้ออนนี้มองไปข้างหน้าก็กจริงนะแต่อย่าลืมว่าเมื่อปลอย้าหน้านเนี่ยถ้าเราก็ต้องก้าวเดินอย่าเป็นมัววิตกกังวลมากกั บ, กบอุปสรรคข้างหน้าถาว่าอะไรยังไปไม่ถึงบางคนเนี่ยนะยังไม่ทันจะก้าวยังไม่ทันจะขึ้นปีห้าก้าเลย ใจก็ห่อเหี่ยวแล้วก็มีนะคิดถึงเศรษฐกิจที่มันทาท่าจะย่ำแย่ลงนะปีนี้สำนักข่าวหรือว่าสำนักเศรษฐกิจทั้งหลายก็ทำนายว่า <c oughs> เศรษฐกิจคงจะไม่ดีมากนักนะไม่ว่าจะเป็นของระดับประเทศหรือว่าของระดับโลกอันนี้เป็นคำทำนาย มันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่หลายคนพอได้ยินก็ใจก็ห่อเหี่ยวเลยเลยไม่มีเรื่องไม่มีแรงก็ต้องวางเหมือนกันนะไอ้อะไรที่ยังมไม่ไปถึงก็อย่าไปกังวลมันมากนะเพราะว่าถ้าเราไปนึกถึงมันมากเราจะห่อเหี่ยวทำให้เราไม่มีเรื่องไม่มีแรงที่จะก้าวเดินอันตมาเคย ถ้าจำไม่ผิดก็คงเคยพูดถึงนักปีนเขาคนหนึ่งซึ่งเก่งมากชื่อบรูสเคิร์กบี้แกปีนเขาที่ชิดยอดเขาที่สูงที่สุดในทุกทวีมาแล้วรวมทั้งเอเวอเรสต์ด้วยเอเวอเรสต์ที่สูงมานับแต่กิโลเมตรกว่าและแกได้ได้สรุป บ, บทเรียนของการปีนเขาตลอดเวลา 20-30 ปีของแกว่า ทุกอย่างมักดูน่ากลัวกว่าความเป็นจริงเสมอเมื่อมองจากที่ไกลเวลาแกอยู่ตีนเขาและมองไปที่ยอดเขาอย่างโบมันมันดูลำบากมันดูน่ากลัวภูวเขาสูงชันไม่ใสาใจปีเลยใจก็ท้อขาก็สัน่นแล้ว แล้วแกพวกวิธีที่จะช่วยให้ปีนเขาได้ดีจะเรียกวิศวกรรการปีนเขาคือว่าอย่าไปสนใจยอดเขาใส่ใจกับลื้นดินใต้ฝ่าเท้าแล้วก็ก้าวไปเดินทีละก้าว <c oughs> เดินไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวถ้าเดินไม่หยุดแล้วก็ถูกทางนะถึงแน่ <c oughs> เวลามองยอดเขาที่มันไกลทำให้ท้อแต่พอใจมันอยู่ที่ กืนแทนดินใต้ฝาเท้าเนี่ยมันง่ายมันสบายแล้วก็แค่เดินไปทีละก้าวทีละก้าวถ้าเดินไม่หยุดเนี่ยอาจจะหนึ่งเดือนสองเดือนก็จะถึงแต่จะรู้สึกถึงเร็วกว่าที่คาดจุดหมายเนี่ยถ้ามันจุดหมายเนี่ยมันจะดูจุดหมายที่อยู่ไกลเนี่ยมักจะดูน่ากลัวกว่าความเป็นจริงเมื่อมองจากที่ไกลแลนะไอสิ่งที่เรา สีนที่เขาทำนายกันเนี่ยนะมันมันจะไม่เกิดแล้วมันอยู่ไกลๆและเมื่อมันและเพราะมันอยู่ไกลเนี่ยมันจึงดูน่ากลัวว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นจะทำอย่างไรแต่เชื่อเลยนะนว่าถ้ า, าว่าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ก้าวเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเนี่ยถึงแม้มันจะเกิดขึ้นจริงนะเราก็จะไม่ ไม่รู้สึกเป็นทุกข์มากเท่าไหร่มันจะไม่ได้มันจะไม่ได้น่านกลัวกว่าที่เราคิดเมื่อมันอยู่ตอนหน้าเราแต่ถ้ามันดูไกลๆมันดูน่านกลัวมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเดินเราจะก้าวไปสู่ปี58เนี่ยขณะที่เราวางอดีตไม่ให้อดีตมันเป็ น, นโซ่ล่ามใจเรา เราก็ต้องอย่าไปเราก็ไม่ควรที่จะไปไปวิตกกังวลกับอุปสรรคปัญหาที่รอยอยู่ข้างหน้าถ้ามันยังมาไม่ถึงก็อย่าเพิ่งไปวิตกแต่เตรียมตัววางแผนได้วางแผนจะเจอกับมันมันต้องมาเคยจำได้ตอนเป็นเด็กๆนะ โรงเรียนเขาจะให้มีการฉีดวัคซีนนะพอรวบพวกนี้ฉีดวัคซีนเนี่ยวันเนี้ยไม่มีความสุขเลยทั้งวันเลยนะกลับไปบ้านก็ไม่มีความสุขตื่นขึ้นมาวันรุ่งขึ้นวันที่จะต้องฉีดวัคซีนฉีดยาก็โหท้อแท้คนเครียดทั้งวันเลยนะเราตั้งเครื่องแต่ก่อนวันฉีดแล้วแล้วถึงวันที่ฉีดรู้สึกมันแย่มาก แต่พอฉีดเข้าจริงๆก็ก็ไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาไอ้ตอนยังไม่ได้ฉีที่ดูมันกลัวน่ากลัวมากเลยแต่พอฉีไปแล้วก็ไม่มีอะไรใช่ไหะของจริงเนี่ยมันไม่คยน่ากลัวหรอกไอ้สิ่งที่เราไปปรุงแต่งเอาเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเข้าใจนะฮะเหมือนกับความล้มเหลวก็เหมือนกันนะ มีคนนึงเนี่ยแกเป็นคนที่เรียนเก่งมากเลยเรียนดีมาตลอดนะได้เอตลอดตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมมหาเทยไลป ร, ระเพะดที่เก่งนิยมด้วยแ <c oughs> กไม่เคยรู้จักคาว่าล้มเหลวแต่พ่อไม่รู้จักแกถึงกลัวเมื่อแกไปทำธุรกิจเนี่ยแกกลัวมากเรื่องความล้มเหลว แกอยากทำธุรกิจทำกิจการที่มันชัวร์ที่สุดนะชัวร์ว่าจะไม่ล้มเหลวระหว่างที่ทำไปก็กลัววิตกว่ามันจะล้มเหลวไหมมันจะเจ๊งไหมแค่นี้มีความสุขเลยแล้วปรากว่าวันหนึ่งเนี่ยธุรกิจตัวหนึ่งที่แกทำเนี่ยนะมันเกิดล้มเหลว มันเกิดพังไม่เป็นท่าตอนที่ที่แกอุตส่าห์เพเซฟแล้วนะเอาอะไรที่มันชัวร์แล้วนะแต่มันก็ยังเจงโอ้แกเสียใจายมากแต่สักพักแกก็ได้คิดว่าเอ๊ะมันมันไม่ได้แย่อย่างที่แกคิดตอนที่แกตอนที่แกนึกถึงความล่มเหลวในะแกคิดว่าโอ้มันคงจะมันกับฟ้าถลม่ลมลกทลาย แต่พอการล้มเหลวความจริงมันก็ไม่เลวร้ายอย่างที่แกคิดเลยเกเลยพราบว่าโอ๊ยความล้มเหลวนี่มันมันไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นมันไม่เหมือนกับที่แกคิดเอาพอแกพบว่าความล้มเหลวที่มันไม่ได้แย่งที่แกคิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือแกหายกลัวความล้มเหลวไม่กลัวละเพราะว่ารู้แล้วจริงๆมันเป็นยังไงมันไม่ได้แย่งที่เรานึก ตอนที่แกเริ่มสนุกแล้วทําธุรกิจเริ่มสนุกแกเริ่มทําธุรกิจที่เสี่ยงทําธุรกิจที่ท้าทายนะมันสนุกกว่าตอนที่แกแกกลัวความล้มเหลวจะทําอะไรก็ไม่กล้ากลัวหมดแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วพอไม่กลัวมันก็สนุกเลยนะงานที่สิกิจการที่เสี่ยงแกก็อยากจะลองดูนะ คือนี่เป็นตัวอย่างนะว่าอะไรที่เราไม่เคยอะไรที่ยังไม่เรายังไม่เจอเนี่ยนะที่ามาันอยู่ไกลๆเนี่ยมันมัอดูน่ากลัวอย่างที่บรูซเคยรีว่าเนี่ยทุกทุกอย่างมันดูน่ากลัวกว่าความจริงเสมอเมือม่อมองอยู่ที่ไกลวความล้มเหลวก็ดูน่ากลัวเมื่อมองอยู่ที่ไกลแต่พอเจอก็จริงๆมันก็ไม่ได้แย่ที่ลดนึกนะเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปอยป่าไปเสียเวลาเสียพลังงานไปกับความที่ตกกักงวลในสิ่งที่มาไม่ถึง เพาะความวิตกกังวล น, นั้นเนี่ยมันมักจะเป็นธรรมดาเพราะว่าเวลาเรานึดถึงอะไรที่มันไกลๆเนี่ยมันจะดูน่ากลัวกว่าความเป็นยิงเสมอแต่ว่าไม่พูดงี้ไม่ได้หมาความไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องระวังนะเราก็ต้องระวังเราก็ต้องไม่ประมาทเราก็ต้องมีการวางแผนแต่อย่าไปกังวลมากนะไม่ทําให้ปีห้าเก้าเป็นปีที่ที่กล่อยนะไม่ตื่นเต้นนะแล้วก็ไม่สนุก อันนี้ก็พูดว่าเป็นเป็นให้เชืวว่อเป็นการวางใจนะสำหรับการที่เราจะก้าวสู่ปี5้เก้าอย่าให้อดีตมันล่ามมันล่ามจิตใจเราเอาไว้แล้วก็อย่าให้อนาคตเที่ยงมาไม่ถึงเนี่ยมันทำให้เราพะวงรือวิตกนะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะแต่ก็ต้องมีการประเมินบทความบทเรียน ความผิพกกดพลาดจากอดีมีการวางแผนเพื่อรับมือกับอนาคตเซ็นจิกิบอกว่าจะไม่ดีปีหน้าอา้าวเราก็ต้องวางแผนเรื่องรายรับรายจ่า ย, ายดีนี้เป็นต้นหรือก็หรือไม่ก็ต้องรู้จกักใชยโอกาสหาหาวิกเอาจะเอาวิศเปลี่ยนวิ ก, กิตให้เป็นโอกาสสมัยก่อนเนี่ย สมัยก่อนตอนปีสักสีสิปีที่แล้วเนี่ยน้ำมันแพงมากน้ำมันอยู่ก็แพงแบบเพราะว่าประเทศในโลกอาลลัมเนี่ยเขาต้องการเขารวมหัวกันนะเพื่อจะคุมราคาน้ำมันาอกว่าการขนานขนขนขนส่งนี่มันแพงมากเลยจำได้ปีหนึงหกหนเจ็ดนี่ตื่นตุบตื่นกลัวกันมากน้ำมันขึ้นพรว ด, วดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นตามมาคือว่ารถยนต์เนี่ยมันประหยัดน้ำมันมากขึ้นน้ำมันที่แพงมันมีบางคับให้มีการผลิตรถยนต์รักรถยนต์ที่มันประหยัดน้ำมันซึ่งก็เป็นผลดีต่อโลกนะคุณรู้ชก็ไม่ได้เพิ่มคูณมากแล้วก็รถก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีจาก วิกฤตที่เกิดขึ้นเรียกว่าใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสคราวนี้ปีหน้าเนี่ยมันก็เป็นธรรมดานะของของชีวิตเราก็คือว่ามันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับเรากับหน่วยงานของเรากับครอบครัวของเรา ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็มีที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะมันธรรมดามากนะความเปลี่ยนแปลงก็ที่ดีก็มีที่ไม่ดีก็มีที่ดีก็คือมันถูกใจเราไอ้ที่ไม่ดีคือมันไม่ถูกใจเราเราไม่ไอ้สิ่งที่ไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราก็คงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันกลายเป็นสิ่งที่ดีได้ ก็เปลี่ยนแปลงได้ในระดับหนึ่งเช่นอากาศร้อนต่อไปโลกร้อนมากขึ้นเอาแล้วก็ติดแอร์กันมากขึ้นอันนี้ก็ช่วยได้นะแต่ว่ามันก็มีหลายอย่างที่เราคงไม่สามารถจะทำอะไรกับมันได้มากนอกจากการปรับใจของเรา สิ่งที่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ได้แก่อะไรเช่นความพัดพลา ค, ความสูญเสียนะหรือว่าอุปสรรคความยากลำบากแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำให้เราเป็นทุกข์เสมอไปถ้าเราวางใจได้ดี เมื่อมีความพัาดาคสูญเสีย <c oughs> ถ้าเราลองวางใจให้ดีเนี่ยเราอาจจะได้ประโยชน์จากความพัาดาคสูญเสียนั้นหรือว่าไม่ทุกกับมันมากเกินไปในแง่หนึ่งก็อาต้องใช้การมองในแง่บวกแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยอย่างแรกที่อยากจะ ที่เราควรทําคือการยอมรับมันนะการยอมรับการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นหุ้นตกน้ํามันแพงเศรษฐกิจไม่ดีส่งออกไม่ค่อยได้อย่างแรกที่ควรทาคือยอมรับมันยอมรับแปลว่าไม่บบนไม่โวยวายไม่ตีโปรตีพาย เพราะว่าการบน่นการโมวยวายตีโพดิพาเนี่ยมันเป็นการซ้ำเติมตัวเองมันทำให้ใจทุกข์มันทำให้เราไม่มีเรื่องไม่มีแรงที่จะทำอะไรนะคนเวลาพวกกรบตัวเอมเป็นมะเร็งเนี่ยและยอมรับไม่ได้เนี่ยก็จะเอาแต่กุ้มหมอกกุ้มใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ ตีอกชกหัวหมดอะไรตาย่ากแทนที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ดูว่าเออเราจะรักษาโลกนี้ยังไงแทนที่จะลุกขึ้นมาแล้วดูว่าเรามีเวลาหรือในโลกนี้น้อยลงแล้วเราจะทำอะไรเราจะรีบทำอะไรอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวซะอยากอยากพาพ่อแม่ไปเที่ยวก็ทำซะอยากไปทำบุญก็รีบทำซะนะหรือว่าจะ จะให้เวลากับลูกหลานมากขึ้นก็ทาครับหรือว่าอยากจะเที่ยวให้สนุกก็รีบทําะัมันดีกว่าที่จะมานั่งกลุ่มหัวกลุ่มใจหมดอะไรายอยากกับชีวิตแต่หลายคณก็เป็นอย่างนี้นะก็เรียกว่าพลาดโอกาสทองที่จะ ทำสิ่งดีๆในแต่ละวันแต่ละวันและ น, แนี่เป็นโทษของการที่เราไม่ยอมรับความจริงโอเคเศรษฐกิจไม่ดีนะแทนที่จะมัวบ่นติโปติพายเราก็มาดูว่าเออเราจะหาเราจะรับมือกับมันยังไงเราจะเราจะใช้ประโยชน์ <c oughs> จากเศรษฐกิจที่ไม่ดีได้อย่างไรนะ <c oughs> ประการที่2คือว่าอยาจะอบอกอต้องรู้จับมองแง่บวก มองแง่บวกว่ามองว่ามันมีข้อดีอย่างไรบ้างใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยมันมีข้อดีเสมอความเจ็บปวดก็มีข้อดีสอนให้เรารู้ว่าพอเจ็บปวดก็รู้ว่าเออมีคนรักเรานะมีคนมาเยี่ยมเราที่โรงพยาบาลเยอะแยะเลยนะหลายคนเนี่ยบอกว่าเนี่ย ความเจ็บป่วยทำให้เขารู้ว่าแม่พ่อรักเคขาแค่ไหนทําให้ได้เห็นความรักความบริสุทธิ์ของของพ่อแม่เพราะว่าถ้าไม่ป่วยนี่ก็ตางค์คนตังอยู่ไม่เคยได้มีเวลามาเจอกันลูกก็ไปเรียนพ่อกับแม่ก็ไปทํางานแม่ค่อยได้กลับบ้านเจอหน้ากันพร้อมหน้าแต่พอลูกป่วยอแม่พ่อก็ลางงานมาดูแลที่เด็กอายุสิบสองเนี่ยพูดแบบนิ่งจริงนะว่า กวามเจ็ป่วนดนี่ดีนะมันทำให้ได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่แต่เธเป็นมะเร็งน ะ, ะนั้นไอ้วิกฤตเศรษฐกิจซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ใช่วิกฤตมันเป็นแค่ปัญหานะมันก็มีข้อดีให้เราอย่างนั้อาอาจจะสือให้เรารื่จากผลควายรักเข็มขัดประหยัดมากขึ้นฝึกใจใ ห, ให้ให้อยู่แบบเรียบง่ายได้มากขึ้น อาตมาไปเคยพาคนไปเยี่ยมผู้ป่วยนะตามโรงพยาบาลต่างๆอบรมพระเชิญความตายสงบสามวันวันที่สามเนี่ยก็พาให้คนที่มาโรมเยี่ยไปเยี่ยมผู้ป่วยเป็นกิจอาสาก็ไปเจอคุณแม่คนหนึ่ง อายุสามสิบเธอยังสาวแล้วก็กำลังดูแ ล, แ, ลแม่อายุเจ็ดสิบที่กำลังป่วยระยะสุดท้ายที่โรงพยาบาลใจทราบเพิ่มเติมจากโรงพยาบาลว่าเธอคนเนี้ยเพิ่งเสียลูปไปลูปแท้งประมาณสักสี่ห้าเดือนาคุณลองดึกท่าพ น, นะคนที่ แม่กำลังจะตายนะแล้วก็เพิ่งเสียเพิ่งเสียนลูกในท้องไปเนี่ยจะรู้สึกแยกแค่ไหนหลายคนที่เจอแบบนี้จะโบนโวยวายตีโพยตีพายว่าทําไมข้อซ้ํากรรมซัดขนาดนี้เสียเสียลูกไปแล้วนี่เรจะเสียแม่แต่เธอไม่มีแต่พี่คนนี้แกไม่มีเขาแต่งความ รู้สึกแบบ น, นั้นเลย mm. เธอพูดว่า mm. ลูกในท้องเธอเนี่ย mm. คงจะเห็นใจตัวเธอนะ mm. ไม่อยากจะให้เธอต้องรับภาระ mm. สองอย่างในเวลาเดียวกัน mm. ลูกเนี่ยคงจะคงจะห่วงแม่นะ mm. ไม่อยากจะให้แม่ต้องมาทุกข์ร้อนนะ mm. ไหนต้องดูแลลูกที่ยังทุกลูกที่กำลังจะคลอด หรือคลอดหรือถ้าคลอดออกมาก็ต้องดูแลถ้าคลอดมาก็ต้องดูแลทั้งลูกน้อยแล้วก็ต้องดูแลแม่ที่มันเหนื่อยมากเธอมอันนี้เนี่ยลูกเนี่ยลูกในท้องเนี่ยนะเขคงจะไม่อยากจะให้ให้แม่น่ยคือตัวเธอเนี่ยต้องมารับภาระมากก็เลยเป็นฝ่ายไปซะเองเพื่อที่เธอได้มีเวลาแล้วก็กําลังไปทุ่มเทให้กับแม่ที่กำลังจะตายโอ้โหเธอมองแย่บวกเลยนะเนี่ย เธอมองแง่บวกนะคนเสียลูกไปเนี่ยแต่มองว่าเนี่ยลูกเขาเกิดโอกาสที่เราดูแลแม่ได้เต็มที่คนเรานี้าหาว่าเรารู้จั ก, กมองแง่บวกแบบนี้นะไม่ว่าจะเจอความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีหรือไม่สมหวังเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์ง่ายๆแต่เพราะคนเราเนี่ยมองไม่ออกมองไม่เห็นนะ ติมทุกพวกเรารู้จักซิกโก้ใช่ไหมครับซิกโก้เกีติศักดิ์สีสดนดามเมืซิกโก้เนี่ยก่อนที่เขาจะเป็นโค้ชทีมชาติที่กำลังจะพาไทยสู่บอลโลกเนี่ยเขาเคยเป็นกับตังทีมชาติไทยเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นนักเตะที่มีผลงานนะโดดเด่นมาก เคยไปแข่งบอลอาชีพที่มาเลยที่เวียดนามต่อมาก็ได้ไปเซ็นสัญญาไปแข่งที่อังกฤษเป็นข่าวใหญ่เมื่อสิบสี่ปีก่อนว่าคนไทยก็ดีใจมากเลยนะว่าจะมีนักฟุตบอลไทยไปแข่งในลีกของอังกฤษ และนี่ก็คือความฝันสูงสุดของซิกโก้ในฐานะนักฟุตบอลก็คือว่าได้สวมเสื้อสโมสรอ่างปีกแข่งแต่จนลักจนรอดเนี่ยเขาก็ไม่เคยไ ด, ได้ได้ลงสนามเลยเขาได้แต่นั่งอยู่ริมสนามในฐานะตัวสารองเขาเครียดมากเขาทุกมากเลยเขาบอกเนี่ยมันทุกข์จนหัวจะแตกนะ แล้วเขาบอกว่าการไปครั้งนั้นเนี่ยล้มเหลวเสียเวลามากเลยแต่ไม่กี่ปีต่อมามีคนประสานพาดเขาถึงความรู้สึกตอนไปอังกฤษครั้งนั้นเนี่ยแกยิ้มนะเราไม่มีอะไรเลยไอ้การเดียวกันนะตอนนั้นเนี่ยเศร้าเครียดแต่แล้วจากนั้นเนี่ยยิ้มไม่มีอะไรเลย ีแต่ผมมองไม่ออกมองไม่เห็นมองไม่ออกมองไม่เห็นคืออะไรก็บอกว่าแปลงกี่ขนาดมีแต่ได้กับได้ได้บ้านได้รถนะได้ภาษาได้พัฒนาทักษะได้พบคนมากมายได้เห็นมุมมองใหม่ๆได้เที่ยวแล้วก็ได้สัมผัสลีกที่มีสีสันที่สุดในโลกเสียงเดียวนะไม่ได้เล่นคุณเข้าใจไะม มันอยู่ที่มุมมองถ้ามองไม่เป็นนะก็เห็นแต่เสียยังแต่ทุกข์แต่ถ้ามองเป็นนะก็เห็นแต่ได้เพราะฉะ น, นั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเร า, า จ, จะประสบเหตุการณ์คล้ายๆชิโกะในอนาคตหรือตอนนี้ก็ได้ก็คือว่ามันไม่สมหวังในเรื่องที่เราสีเรียส ก, กับมันมาก แต่ลองสำรวจตัวเราดูซิว่าเป็นเพราะเราเนี่ยมองเห็นแต่ลบหรือเปล่าลองเปิดใจมองอะไรที่เป็นบวกแล้วเราก็จะพบว่าเราได้อะไรหลายอย่างหลายคนเวลาไปเที่ยวเนี่ยเราก็เสียใจผิดหวังว่าอไม่ได้เห็นอย่างงาู้นไม่ได้เห็นอย่งงาง น, นี้นะเป็นเพราะเ ข, า, เขามองแบบซิโก้ เ ข, เขาไม่เห็นว่าเขาได้อะไรได้เจออะไรบ้างตอนที่เขาเจอแต่เขามองไม่เห็นต้องใช้เวลาอีกสักพักถึงจะพอมาคขความก็เพาะโอ้โหเราเจออะไรดีดๆเยอะเลยนะเลยนะในตอนที่ไปเที่ยวข้างนั้นเนะี่ยแล้วก็จะบอกว่าโอ้โหไปข้างนั้นมันดีป็นพุมมการทำงานก็เหมือนกันนะ หลายคนเนี่ยมักจะมักจะบอกว่าโยถ้ามองแต่ลบนั่นก็จะเห็นแต่ความผิดพลาดเห็นแต่อุปสรรคเห็นแต่ปัญหาเห็นความล้มเหลวแต่ถ้าคุณลองมองในแง่บวกบ้างคุณก็อาจจะเห็นความสำเร็จเห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงานมุมมองและการวางใจในการทำงานสำคัญนะการทำงานให้สำเร็จเนี่ยนะ นอกจากการทุ่มเทความภาพเพียรพยายามแล้วเนี่ยอย่างที่สาญคือการวางใจด้วยถ้าคุณวางใจเป็นนักการทำงานเนี่ยมันก็เป็นมันก็ทำให้มีความสุขหลายคนอยากจะมีความสุขในปีใหม่อยากจะมีความสุขตลอดปีห้าเก้า แต่ความสุขเนี่ยมันมาได้หลายทาง น, นะมันได้ ม, มันไม่ได้เกิดจากการที่เราได้ไปเที่ยวได้ไปเล่นได้ไปกินของอร่อยได้ฟังเพลงเพราะความสุขไม่ได้เกิดจากการเสพเท่านั้นนะความสุขไม่ได้เกิดจากการมีเท่านั้นหลายคนเห็นแต่ความสุขประเภทนี้คือต้องมีต้องเสพถึงจะสุขนะเสพในที่นี้ก็เสพทางตาเสพทางหูเสพทา ง, นะงจมูกเสพทางปาก เสพด้วยการประสบสัมผัสหรือการได้ไปเจอประสบการณ์แตลกๆใหม่ๆได้ไปที่เที่ยวที่มันไม่เคยไปมาก่อนอันนี้เรียกว่าการเสพหมดนะเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราก็ไปเสพประสบการณ์เวลาเล่นบัญชีจำเนี่ยเรามีความสุขเพราะก็คือการเสพประสบการณ์เล่นเกมออนไลน์มีความสุขก็คือการเสพแบบส่วนใหญ่รู้จักแต่ความความสุขประเภทนี้แต่ความสุขอย่างนึงนะก็คือความสุขที่เกิดจากการทํา การได้ทําสิ่งที่ชอบการได้ทําสิ่งที่รักอาจารย์พุทธาวบว่าสุขแท้มีอยู่แต่ในงานสุขแท้มีอยู่แต่ในงานการทํางานก็ทําให้มีความสุขได้ทั้งที่เมื่อเราทํางานเราก็คงจะไม่มีโอกาสได้เสพนะเราทํางานเราก็มีโอกาสได้ฟังเพลงไม่มีโอกาสจะได้ไปกินอาหารอร่อยไม่ได้ไปเที่ยว แต่มันก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้ทาไมหลายคนเนี่ยขยันทางานเพราะเขารู้สึกสนุกเขารู้สึกสนุ ก, นกมันทำให้เขาขยานันแลวทาให้เขาอยู่กับงานอยู่ทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งเพื่อนมาเตือนว่าให้ใ ห, ให้ให้กลับไปพักก่อนได้แล้วให้กลับบ้านได้แล้ว ความสนุกเนี่ยเกิดจากการทำงานก็ได้นะพวกเราเนี่ย้พวกเราเคยดูรายการแฟนพันแท้มางไหมแฟนมันธท้นี่มั น, ม, นมันรุ่นแล้วแต่เต็ไมไปด้วยคนซึ่งเป็นพวกฝ่ายรู้ฝ่ายรู้ในในเรื่อ ง, ใ น, องในเรื่องซึ่งบางทีเราก็ไม่คิดว่าเขาจะพุ่มเทขนาดนั้นนะรามเกียรติ์สามก๊ก the man you, นะ a ิทเทิลนะทศกัน เขารู้ลึกมากเลยแล้วก็รู้กว้างเลยคนเรานี้จะรู้แบบนี้ได้ต้องศึกษาต้องค้นคว้าต้องทุ่มเทถามว่าอะไรทำให้เขาเนี่ยทำอย่างนั้นเงินรางวัลเหรอผลตอบแทนเหรอไอกาชาเราเรานี้ไม่มีเงินเดือนไม่มีรางวัลจะมีรายการแฟ น, นทันธ์ชนหรือไม่เขาทำเขาก็ทุ่มเทเพราะอะไรเพราะเขามีความสุขเพราะเขาสนุก แล้วความสูงเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยกัดไม่ปล่อยไอ้พวกเราฟังเพลงนะฟังเพลงซ้ำๆสักสิบครั้งเราก็เลิกฟังแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเพลงใหม่เราดูหนังสนุกเนี่ยดูหนังซักสามสี่ห้าครั้งสามสี่ห้าเที่ยวเราก็เลิกดูแล้วเราก็ไปดูเรื่องใหม่บางทีเราไปกินอาหารอาหารอร่อยเนี่ยกินไปซักสิบครั้งเราก็เบื่อแล้วเราก็จะไปกินเมนูใหม่ แต่พวกแฟนตันไทยนะาศึกษาเขาซุ่มเทเนี่ยเป็นปีๆเรื่องเดียวกันนั่นแหละรามเกียรติ์สามก๊กนะหรือว่าวิทเทลเนี่ยก็ศึกษากันแหละการที่เขาทำเป็นปีๆแสดงว่าอะไรแล้วโดยที่ไม่เบื่อแสงว่าอะไรมันเป็นสูกจริงไอ้สูขที่เกิดจากการฟังเพลงสูหัครั้งแล้วก็เปลี่ยนไปฟังเพลงใหม่ ดูหนังประมาณสิเที่ยวเรื่องเดียวกันซ้าแล้วก็ไปดูเรื่องใหม่มันไม่จริงมันเป็นสมไม่จริงเป็นสุขที่ไม่แท้แล้วสุขแท้เนี่ยมันมีอยู่ในงานนะและถ้าคุณโดยพระถ้าคุณมีความรักในงานเนี่ยคุณก็จะมีความสนุกนะถ้าเราทําแจงเราให้สนุกเนี่ยนะหรือมีความรักในงานเนี่ยมันจะเกิดความสุข อาตมาเพิ่งได้อ่านประวัติของสตีฟจ็อบส์นะในช่วงวัยหนุ่มเนี่ย mm hmm. เรารู้ใช่ไหม mm hmm. เขาเรียนไม่จบอ่ะ mm hmm. เขาเรียนได้ปีหนึ่งปี 2, 2> mm hmm. เขาก็ออกแล้วก็ามาทำคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นการปฏิวัติวงการพระสมัยก่อนเนี่ย mm hmm. มันไม่มีคำว่าคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมันมีแต่คอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆนะที่ที่ใส่โปรแกรมด้วยการใช้กระบากระดาเจาะรู สมัยก่อนคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่มีค key ีย์บอร์ดนะและไม่มีจอแสดงผลคุณจะใช้คอมพิวเตอร์คุณต้องใช้กระดาษเจาะรู <c oughs> เพื่อเป็นการใส่โปรแกรมเครื่องใหญ่ๆ ส, สตีฟจ็อบกับวอชเมียเนี่ยนะเขาปฏิวัติองการคอมพิวเตอร์เขาจะเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเครื่องเล็กๆคีย์ข้อมูลคีย์คำสั่งโดยการใช้คีย์บอร์ดและมีจอแสดงผล น, นี่คือปฏิวัติองการมากเลย ตอนนั้นเขายู่ประมาณ2นะี่สิบวอชเด็กี่สิบห้าแล้วก็ก็ทุ่มเทกับมันนะก็มีความสุขพวกแฮกเกอร์นี่นะพวกแฮกเกอร์ที่พวกทำวันอยู่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะรู้จักใช่ไหมแฮกเกอร์เนี่ยพวกนี้เนี่ยบางทีไม่มีเงินเดือนนะไม่มีเงินเดือนก็ทำทำสนุกแต่มันทำแบบทุ่มเทมาก สามารถที่จะเข้าไปเจาะรักเข้าไปเจาะคอมพิวเตอร์เข้าไปเจาะรหัสเข้าไปเจาะอะไอรต่างๆของกระทรวงกลาโหมในอเมริกาในจีนได้พวกนี้นะนะนะไม่มีเงินเดือนนะแต่ก็ทำาพรใจรักมันเป็นความสุขของเขาาะฉนั้นความสุขเนี่ยมันเกิดจากการทํางานด้วยเหมือนกันโดยเพราะถ้าคุณทําในสิ่งที่คุณรัก แต่มันจะไม่สุขนะเมื่อคิดถึงผลตอบแทนนะพอคิดถึงเรื่องผลตอบแทนนะคิดว่าคนจะชมเเราไหมเขาจะให้เงินเดือนเราเท่าไหร่นะจะเก่งกว่าคนอื่นไหมเนี่ยคุณเครียดเลยนะสตีฟจอ็อกเนี์เขามีความสุขกับการคิดนะพัฒนา iPod, iPad, iPhone แต่เขาเครียดนะเวลาคิดว่าจะต้อง ขายให้ได้เยอะๆจะต้องชนะคู่แข่งนะจะต้องได้รับความสำเร็จพอคิดแบบนี้เครียดเลยนะไอ้ลำพังเนี่ยทำทำเนี่ยนะการคิดค้นปฏิตกรรมเนี่ยมันไม่มันไม่เครียดหรอกแต่พอคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเครียดทันทีน้าฟุตบอลนะ ถ้าซ้อมกันเล่นๆเนี่ยสนุกแต่พอเล่นจริงนี่เครียด น, นเพราะว่าความสำคัญมันมันไปอยู่ที่ผลของการแข่งขันแต่ถ้าเล่นเล่นธรรมดาๆรรเนี่ยสนุกเอ้นการทำงานก็เหมือนกันนะเวลาเราทำงานเนี่ยถ้าหากว่าใจเราอยู่กับงานนะเราจะมีความสุข เราจะมีความสุขที่เราได้ความรู้มากเราจะมีความสุขที่เห็นงานมันออกมาดีออกมาถึงงานออกมาไม่ดีเราก็พยายามรู้สิร์เป็นเรื่องท้าทายว่าจะแก้ไขไงานให้มันให้มันดีมันกลายเป็นเรื่องสนุกได้เหมือนกันในการที่จะหาทางปรับปรุงงานให้มันดีเอาชนลกระสับแต่พอคุณคิดถึงเรื่องของคิดว่าเออเจ้านายเขาจะว่าอย่างไร จะมีเงินเดือนไหมจะ ม, จะมีจะมีรางวัลเท่าไหร่จะมีผลตอบแทนจะมีคำชื่นชมสารเสริไมไหมคุณเครียดเลยและบางทีก็ทำให้งานออกมาไม่ดีนักฟุตบอลเนี่ยระดับโลกเนี่ยหลายคนจะเครียดมากเลยนะเวลาที่ต้องเตะเตะจุดโทษ เดิเพาะในนัดสำคัญที่เป็นตัวชี้ชะตาคือถ้าแพ้ก็ตกรอบหรือถ้าชนะก็ได้ได้เป็นแชมป์ในเวลาซ้อมพวกนี้เนี่ยเตะร้อยลูกก็เขากับสิบเก้าลูกแต่เวลามาเตะลูกโทษเนี่ยตรงจุดโทษหน้าประตูเนี่ยระยะห่างแค่สิบเอ็ดสิบเอ็ดเมตรนะสิบกว่าเมตรเท่านั้นแหละ หลายคนเครียดเลยแล้วก็หลายคนเตะไม่เข้าเพราะอะไรฮะเพราะเขาคิดว่าถ้าเตะไม่เข้าจะเกิดอะไรขึ้นเตะไม่เข้าทีมจะแพ้ตกรอบเตะไม่เข้าแฟนบอลทั้งโลกจะโผลรปนามดาพอคิดแค่นี้นะ เ, นเกรงเลยการเตะไม่ใช่เรื่องสนุกแล้ว แล้วพอเราพอคิแบบนี้เราเตะไม่เข้าเป็นส่วนใหญ่อีกประเภทหนึ่งนะคือว่าเตะไม่เข้าเพราะว่าประวัติของทีมหรือบอร์ดขตัวเองเคยเตะไม่เข้ามาก่อนเขามีการศึกษาพบ ว, ว่าทีมไหนเนี่ยที่มีประวัติเตะไม่เข้าบ่อยๆนี่นะถึงเวาลาจะเตะลูกโทษนะมีโอกาสที่จะเตะไม่เข้าเกิน50ทีมนั้นเช่นอังกฤษทีมนั้นเช่นฮอลแลนด์ อันนี้เขาบอกการศึกษายอย่างละเอียดนะระดับโลดที่พอเนี่ยทีมอังกฤษเนี่ยนะถ้าเตะทุกถ้าเตะจุดโทนะห้าเม็ดนะโอกาสไม่เข้าเนี่ยมีสูงเพราะมันเคยมีประวัติเตะไม่เข้ามาแล้วคนเล่นเนี่ยจะคิดถึงประวัติว่าเราเคยเตะไม่เข้าพอคิดตรงนี้นะเริ่มไม่มั่นใจแนละ้วพอไม่มั่นใจก็เตะไม่เข้ายังเวลาจะเตะบอล น, นะเขาบอกว่าให้วางอดีต วางอนาคตลงอดีตเป็นยัง ไ, ง อ, ไ, ไงอย่าไปสนใจเตะไม่เข้ากี่ครั้งอย่าไปสนใจอนาคตเป็นอย่างไรผลมันจะเป็นอย่างไรเตะไม่เข้าจะเกิดอะไรขึ้นอย่าไปสนใจอยู่กับปัจจุบันแล้วจะเตะเข้าเองทํนะาใจสบายอย่าซีเรียสนะการเตะรูปเตะตานเตะบอลให้เข้าเนี่ยมันต้องไม่ซีเรียสเพราไม่เครียด วางอดีตวางอนาคตลงทํางานก็เหมือนกันนะทํางานก็เหมือนกันคุณจะทําทงานได้มีความย่งมีความสนุกและมีความสูงเนี่ยคุณต้องรู้จักวางอดีตวางอนาคตอยู่กับปัจจุบันทําอย่างที่บรูซเคิลบี้บอกนะก็คือว่าสนใจพื้นที่ใต้ฝาทา้าแล้วก็เดินไปทีละก้าทีละก้าอย่าเพิ่งไปสนใจอย่าไปสนใจยอดเขาเพราะไปสนใจยอดเขาแล้วมันจะทอ้อ ก็คือวางวางจุดหมายปลายทางลงด้วยอัตมาพึกพาคนไปเดินธรรมยาตรานะหนึ่งถึงแปดนวาจากทุกปีมาจากเดินมาสิบกครั้งแนละ้วแล้วปีนี้ก็มีคนมาเดินวันสามรอยคนมีตั้งแต่เด็กอายุสามสี่ขวบจนกระทั่งผู้ใหญ่อายุเจ็ดสบกว่าแล้วเด็กพวกนี้อึดมากเลยนะมีเด็กคนณนึงสี่ขวบครึ่งเดินตลอดเลยร้0ยสิบกิโล บางวันเดินยี่บสามกิโลแดด ก, ก็ร้อนทางก็ไกลหินก็ขินก็แหลมบางคนถอดรองเท้ามีแต่กพีงสิบขวบ่ถอดรองเท้าเดินตลอดเลยนะั้นเป็นผู้หญิงและหลายคนเนี่ยไม่เชื่อตัวจะเดินได้ยนะี่สบสามกิโลทั้งที่อยู่ที่กรุงเทพเนี่ยสองกิโลยังไม่เดินเลยแปดร้อยเมตรยังไม่เดินเลยนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าซอยใช่ัหม เี่ยมีใครเดินสองสร้อยเมตรถ้ามีรถก็เรียกรถเรล่นแต่ว่าไม่มีรถถึงเดินเอาเช่นแถวสยามสแควร์อย่างเงี้ยไม่ ม, <c oughs> ไ ม, มีไม่มีรถมอเตอร์ไซคเดินก็ต้องต้องเดิน <c oughs> อัตมาก็บอกเรนนะ้ำวิธีการเดินให้ใจไม่ทุกข์นะคือว่าให้ถือหลักว่าจุดหมายอยู่ไกลใจอยู่ปัจจุบันจุดหมายอยู่ไกลใจอยู่กับปัจจุบันมันจะไกลแค่ไหนจะไปสนใจมัน อยู่กับปัจจุบันเดินไปเดินไปเดินไปเดีเด๋ยวถึงเองและจะรู้สึกถึงแร้วว่าคนที่คิดถึงแต่จุดหมายปลายทางในเวลาทางานเนี่ยจริงอยู่ก่อนทํางานเนี่ยเรามีจุดหมายเรามีเราตั้งเป้าว่าจะทำอะไรแต่พอเราลงมือทานะวางจุดหมายปลายทางลงผลมันจะเป็นอย่างไรเพงไปสนใจอยู่กับปัจจุบัน ทำปัจจุบันที่ดีที่สุดงานชิ้นนั้นจะใช้เวลากี่ปีกี่เดือนก็ตามถึงเวลาทําใจอยู่กับเช้านี้ใจอยู่กับชั่วโมงนี้ทําชั่วโมงนี้ดีที่สุดนะมันจะมีงานตอนบ่ายมากแค่ไหนเก็บเอาไว้ก่อนถ้าเราลองทําใจอยู่ปัจจุบันนะ โดยการซอยงานเป็นช so ิ world, dès, ้นชิ the the ้นงานมันจะเยอะแค่ไหนใช้เวลากี่กี่เดือนก็ซอยลงเป็นชิ้นว่าเดือนหนึ่งทําอะไรเดือนที่สองทำอะไรเดือนที่สามทำอะไรและการนั้นก็ซอยอีกว่าในในในในเดือนแรกเนี่ยอาทิตย์แรกทําอะไรอาทิตย์ที่สองทำอะไรอาทิตย์ที่สามทำอะไรอาทิตย์ที่สี่ทำอะไรแล้วก็ซอยว่าเนี่ยอาทิตย์แรกเนี่ยวันจันทร์ทาอะไรวันอังคารทําอะไรซอยลงไปอีกนะว่าวันจันทร์เช้าทําอะไรวันอังคารตอนเช้าทําอะไร ถึงเวลาอยู่ถึงเวลาจันเชา้าคุณก็สนใจแต่ไอทำงานที่กําหนดในช่วงจันเช้าให้เสร็จเดี๋ยวคพิม่มไปสนใจช่วงจันบ่ายถ้าคุณวางแผนดีแนละ้วการทํางานจะกลายเป็นเรื่องเบาแล้วพอคุณทุ่มเทกับมันเนี่ยคุณจะทําทได้เต็มที่โดยที่คุณไม่เครียดการซอยงานเป็นชิ้นๆเนี่ยนะมันช่วยทําให้การทํางานเป็นเรื่องง่าย แล้วก็ที่บุชเคบีบอกว่าเนี่ยสนใจพื้นแรกฝ่าเท้าแล้เดินไปทีลเก้าทีละเก้าถ้าคุณกําหนดว่าวันแรกเดินเท่านี้วันที่สองเดินเท่านี้แล้วใจคุณก็จดจ่อจะเพียงว่าวันแรกเนี่ยพยายามเดินให้ได้ตามเป้าไอ้ส่วนวันที่สองถึงหรือวันที่สามสิบวันที่หกสิบลืมมันไม่ก่อนที่จริงอยู่ว่าแต่งงานเลยนะสิ่งที่เราชอบอ่ะทิซซ่าขนมเค้กเนี่ยเวลาคุณจะกินเนี่ย คุณทํำยังไงคุณต้องคุณต้องต้องเรียกว่าอะไรต้องซอยมันก่อนใช่ไหมแบ่งมันเป็นส่วนๆก่อนใช่ไหม6ส่วน8ส่วนไม่มีใครกินพิซซ่าหมดทั้งชิ้นภายในคําเดียวไม่มีใครกินขนมเทค้กทั้งแผ่นเนี่ยหมดภายในคําเดียวคุณต้องซอยออกมาเป็นแผ่นเล็กๆเป็นชิ้นเล็กๆแล้ว่ากินทีละชิ้นทีละชิ้น แม้แต่แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นคุณก็ต้องกินทีละคำแม้แต่ของอร่อยนี่คุณยังต้องซอยเป็นชิ้นชิ้นเป็นส่วนเล็กๆเลยไองานที่ยากเนี่ยก็ยิ่งจาเป็นที่คุณยังต้องซอยให้มันเป็นชิ้นๆลงไปแล้วคุณก็สนใจแต่เฉพาะส่วนที่มันเป็นชิ้นๆอาตมาเนี่ยเคยเมื่อมาตั้งามสี่ปีก่อนอาตมาตั้งใจจะอย่านหนังสือเล่มนึงนะชื่อพุทธธรรมของเจ้าคุณ กรมพุนาพรต้งเส้นนี้หนาประมาณพันหน้าพันหน้าหลายคนพอใจเพรว่าพันหน้านี้ก็ไม่อ่านแล้วแต่ตมาก็วางแผนว่าอ่านแค่วันละสิบหน้าในช่วงข้าพรรษาสิบหน้านี่กับพันหน้าต่างเยอะเลยนะวันแรกเนี่ยทุกวันนี้ก็จะอ่านแค่สิบหน้าไม่สนใจไอ้เก้าร้อยหน้าที่มันยังเหลืออยู่วันที่สอนก็อ่านอีกสิบหน้า วันที่สามก็อีกสิบหน้าเพิ่มพิ่เดียวเก้าสิบวันร้อยวันก็ครบพันหน้า <c oughs> ของยากเนี่ยมันกลายเป็นของง่ายเมื่อคุณรู้จักซอยมันเป็นชิ้นเล็กๆและคุณก็ตรวจจออยู่กับชิ้นเล็กๆนั้นเนี่ยเพรา ะ, ะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรอวางใจแบบนี้นะ <c oughs> การทำงานเนี่ยนะมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ ไม่เครียดแถ้าคุณทำงานด้วยใจรักเนี่ยนะมันจะกลายเป็นเรื่องสนุกบางอย่างสิ่งที่คุณทำอาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่คุณรักแต่ว่ามันจะสามารถจะนำไปถ้าถ้าคุณมองว่ามันสามารถจะนาไปสู่สิ่งที่คุณรักได้คุณก็รักงานนั้นเหมือนกันเมื่อสักประมาณ60ปีก่อนเนี่ย มันมีมัมีข่าวใหญ่นะระดับโลกก็คือว่ารัเสเซียเนี่ยสามารถที่จะส่งยาละออากาศไปบนรอบโลกได้สําเร็จรัเสเซียเป็นประเทศแรกนะที่ส่งยาลออกาศไปบนรอบโลกได้แล้วก็เรื่อออกาศคนแรกก็เป็นรัเสเซียอเมริกาตกใจมากเพราะไม่คิดว่ารัเสเซียเนี่ยจะมีความก้าวหน้าขนาดนั้นเป็นคอมมอนิสต์แต่ทำไมก้าวหน้ากว่าอเมริกาก็เลยตื่นตัวกระทั้งประเทศตั้งเป่าว่าจะส่งยาละออากาศไปรวงจันท์เป็นประเทศแรกในโลก เกิดองการนาซาขึ้นมาทุกคนเนี่ยโหมีความซื้สว่าเนี่ยเราจะต้องชนะและต้องก้าวหน้ากว่ารัเสเซียเราต้องประสบความเสเร็จในการส่งยาอากาศไปไปยังโลกโลกจัจจ์และวันหนึ่งก็มีนักข่าววันนึงเนียไปเยี่ยมจะไปสัมภาษณ์ผู้บริหารองการนาซาแกไปแต่เช้าเช้าคือประมาณเจ็ดโมงนะ ก็เห็นคุณป้าคนนี้แกกำลังทำความสะอาดทําความสะอาดพื้นนะนะใช้เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยทำความสะอาดอ า, อาคารที่เป็นห้องโถงอะ่ะแกสังเกตคุณป้าคนนี้แกทํางานด้วยความกระตือรือร้นยานคั น, นแข็งมากนะก็เลยสนใจไปคุยคุยไปคุยมาเนี่ยคุณป้าก็บอกว่าอย่างที่แกสิ่งที่แกทําเนี่ยนะงานที่แกทําเนี่ยนะ มันเป็นการที่จะช่วยให้ประเทศเนี่ยส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ได้เป็นประเทศแด้ในโลกแกไม่ได้มอว่าชั้นแกแกถูกพื้นนี่นะมันเป็นงานอาชีพนะแกกำลังมองแกกำลังช่วยให้อเมริกาเนี่ยส่งโดนส่งคนไปดวงจันทร์ไอถูพื้นนี่กับการส่งคนไปดวงจันทร์นี่มันถานกันเยอะเลยนะแต่ว่า แกสามารถจะมองเห็นความเชื่อมโยงว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยมันคือการช่วยประเทศชาติให้บรรลุจุดมุ่งหมายแกก็เลยมีความสุขกับการทำงานมีความสุขกับการทำความสะอาดทั้งจี่งการทำความสะอาดเนี่ยของนักการพารลมก็ไม่ใช่เป็นงานที่สูงส่งอะไรเลยหลายคนเนี่ยถ้าเกิดทำงานอันนี้ก็สึกต่ต้อยแต่สาหรับคุณป้านี้เนี่ยแกเห็นว่าสิ่งที่แกทำเนี่ยคือการช่วยชาติ มันเป็นงานที่ด้าเมื่อแกรักชาติแกก็เลยรักงในงานที่แ ก, กทําด้วยนะทั้นี้กระทัาไม่มีความสุขงานได้งานเนี่ยมันไม่ใช่มันมันจะไม่ใช่เป็นที่หมายความทุกนะถ้าเราวางใจเป็นแลยิ่งถ้าเรารู้จักนะวางนะปล่อยวางอดีตปล่อยวางอนาคตปล่อยวางจุดมุ่งหมายหรือผลสําเร็จอยู่กับงานเราจะทําอย่างมีความสุข เรอถ้าเรามีสตินะรู้จักปล่อยวางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเวลามันเคร่อนขึ้นมารู้ทันรู้ทันแล้วก็วางมันลงนะคุณจะทำงานได้อย่างสบายอัตมาเวล า, าเวลาแนะนำคนที่ทำงานนะบอกเขาเสมอนะว่า คุณคุณทำงานนะอย่าให้งานทำคุณคนส่วนใหญ่เนี่ยปล่อยให้งานทำเราไม่ใช่เราทำงานนะปล่อยให้งานทำเราทำไปก็หน้าบึงไปทำไปก็เครียดไปแม้จะขยันนะแต่ว่าก็เครียดนะความดันขึ้นอันนี้เรื่องงานทำเราไม่ใช่เราทำงานถ้าเราทำงานถ้าเราทำงานด้วยใจที่สบายอัตอมาก็บอก นะหลายคนอิสมาว่านะให้ทําเต็มที่แต่ย่าซีเรียสทําเต็มที่แต่อย่าซีเรียสนะก็ก็เป็นคติเดียวกันกันกบเวลาเตะบอลเตะบอลเข้าจุดโทษเนะตะบอลจุดโทษนะตั้งใจเต็มที่นะแต่อย่าซีเรียสแล้วคุณจะเตะเข้าแลนะ้ถ้าคุณซีเรียสเมื่อไหร่ก็เตะไม่เข้านั่จะเป็นการเล่นก็ตาม อาตอมาชอบ <c oughs> อโค้ดอีกคนหนึ่งนะแกแกเป็นโค้ดสอนในเทควัาโดแกอนนบอกนี้แกบอกลูกศิษย์นะว่าเวลาซ้อมเนี่ยซ้อมเหมือนแข่งแต่เวลาแข่งเนี่ยแข่งเหมือนซ้อมซ้อมเหมือนแข่งนะเขาไงซ้อมจริงจังใช่ไหมแต่เวลาแข่งเนี่ยแข่งเหมือนซ้อมคือไม่ต้องเสีเรียนมาก แข่งเหมือนซ้อมเนี่ยนะมันไม่ซีเรียสใช่ไหมเนี่ยมันก็หลักเดียวก็ทาเต็มที่แต่ไม่ซีเรียสนะหลายคนซีเรียสแต่ไม่ทําเต็มที่นะคือท้อกันแรกทําเต็มที่คือว่าใจอยู่กับปัจจุบันแล้วก็วางอดีตวางอนาะคตวางจุดหมายมันจะไม่เครียดนะมันก็เหมือนแข่งนะแข่งเหมือนซ้อมอ่ะแต่เวลาซ้อมเนี่ยซ้อมเหมือนแข็ง มีมีเรื่องเล่านะที่เพื่อนอมาเนี่ยมาถ่ายทอดให้ฟังแกเป็นพระแกเป็นพระเซนนะแกเป็นชาวอเมริกันนะชาวอเมริกันแต่แกเป็นพระเซนแกเล่าถึงอาจารย์ อ, อาจารย์แกคนหนึ่งนะชื่อชุนวิวสูสุกิชุน ว, ก, นวกินี่เป็นอาจารย์ดังนะเป็นผู้ที่ตั้งวัดเซนแห่งแรกในอเมริกาที่ซานฟรานซิสโกเมื่อสักเจ็ดสิปีที่แล้ว 65ปีที่แล้วนั่นคือปีพันกร้อหกสิบตอนนั้นจางชุนเลียก็อายุหกสิบกว่าแล้วตัวก็เล็กเป็นญี่ปุ่นแต่แกมีลูกศิษย์เยอะนะลูกศิษย์เป็นอเมริกันหลุ่มสาวอายุสิบแปดสิบเก้ายี่สิบตัวยหย่ๆทั้งนั้นไอ ต, ตอนที่มาสร้างวันนี้ก็ต้องทำงานกันเองนะขนอิกนขนหินลูกศิษย์เนี่ยทงานครึ่งวันก็เหนื่อยแล้ว อาจารย์ทําทั้งวันทั้งที่ตัวเล็กกว่าอายุมากกว่าลูกศิษย์ก็เลยแปลกใจถามอาจารย์อาจารย์ทําได้ยังไงอาจารย์ชูเรียวตอบว่าก็ผมพักตลอดเวลานไงผมพักตลอดเวลาลูกศิษย์ง ง, ง, งนะก็เห็นอาจารย์ทําทั้งวันนอาจารย์ทําเนี่ยนะอาจารย์คนหินนะขนแต่ตัวแต่ใจไม่ได้ขนด้วยใจไม่ได้ด่ายขินด้วยใจพัก ใจไม่ได้แบบความเครียดส่วนใหญ่เนี่ยคนที่แบกลูกศิษย์เนี่ยแบกบหินเนี่ไมนะไม่ได้แบกแต่ตัวใจก็แบกบเมื่อไรจะเสร็จว่าเมื่อไหรจะเสร็จว่าแบบความทุกข์มันก็เลยทําได้แค่ครึ่งวันแต่อาจารย์ชุนเรียนเนี่ยทําทั้งวันนะทําเต็มที่นะแต่ใจแกไม่เครียดใชเพราะใจแกวางใจแกปล่อยวางทําแต่ตัวแต่ใจปล่อยวาง อันนี้เรียกว่าทำกิจและทำจิตนะทำจิตคือว่าร่างกายก็ทำงานแต่ว่าใจก็ปล่อยวางนะซึ่งเอามาใช้นะกับพวกเรานะเอามาใช้การทำงานก็ได้อาลัตะมาก็ก็พูดมาพอสมควรแล้วนะก็ขอฝากเอาไว้นะว่าปีใหม่นี้นะมันจะเป็นปีแยงความสุขความความสดชื่นเบิก บ, บานได้ แม้ว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ชอบในทางที่ไม่พึงประสงค์ก็ตามแต่ว่าเราก็สามารถจะทำงานจะมีความสุขเราก็สามารถจะรับมือกับสิ่งต่างๆได้ด้วยใจที่ที่เป็นปกตินะามว่าเราได้รู้จักวางใจถูกต้องเราจะไม่กลัวปัญหาจะไม่กลัวประสัเพอ ร, ร, รู้ว่าถ้าเราวางใจได้ดี เราก็จะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้นะก็ขอให้ปีใหม่ที่เป็นเพียหงความสุขสดชื่นของเราที่สามารถจะใช้ใจของาที่เราการฝึกเนี่ยให้ถึงไปในทางที่ดีงามพิสุทธิ์นี้ขออ้างคุณพระศสดรัตนตรัยอโมล่วยผลให้ทุกท่านได้เจริญด้วยอายุวรนนสุขภาะเพื่อเป็นพระพระปัจจัยในการทําความดีงามให้ถึงพร้อมด้วยสาสินพวานาขอมีความแย้มังเทียนะในการปฏิการงานของตน ได้มีธรรมะในการคลองชีวิตเพื่อให้ได้มีความสูเก้าวข้ามจากความทุกข์พ้นจากอุปสรรคทั้งปวงขอให้มีปัญญาพ า, าจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเสรนตสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทั้งปวงเถิด